วันนี้สมาชิกเ<ๆ>ก่าเก่าเกือบทั้งหมดมีใครไม่เคยมาไหมวันนี้ใช่หมมาจากไหนกันว่มากไกลทําทำไมทางน้นไม่มีพระแล้วท้งมาถึงนี่ <c oughs> ไอ้ที่หัวหินไม่ได้ที่หัวหินมีมาจากนครได้ใกล้หน่อยองงพ่อมนตรี หวพอมตรีอาพัสรโลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลก่อนหลวงพออีกเป็นลูกศิษย์รุ่นโตท่านแต่ความจริงโตในรุ่นเล็กนะรุ่นโตโตจริงๆรุ่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่อ่อนเลยนั่นนี่หลวงปู่ดูลเนี่ยลูกศิษย์รุ่นใหญ่ท่านไปก่อนท่านท่านอายยืนท่านไปนเผาศพลูกศิษย์หลายองคนะ์แหลวงปู่ฟัน้น อ่อนเรียกคุณโชดหลวงพ่อมันตรีนี่ก็เป็นรุ่นรุ่นหลังอาวุโสในรุ่นหลังหลวงพ่อเนี่ยแทบจะรุ่นสุดท้ายไปเรียนจากขั้นก่อนท่านมรณภาพปีวกว่าๆไปเรียนจากท่านหกครั้งเองสามสี่เดือนไปทีหนึ่ง ไปเรียนได้หกครั้งไปหาถ้าท่านท่านที่สามท่านก็ไล่ละช่วยตัวเองไม่ต้องมาละการปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากอะไรมันไม่ยากอะไรเลยที่หลวงพ่อพูดว่าการปฏิบัติไม่ยากมไม่ได้พูดเองประโยคแรกที่หลวงปุดูลสอนหลวงพ่อการปฏิบัติมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ประยกแรกที่สอนประโยกถัดมาบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองจบแล้วสอนให้แค่นี้ถ้าอ่านจิตตนเองแล้วจะเห็นอริยสัจแห่งจิตเราทุกข์ก็เกิดที่จิตนะตัณหาคือตัวสมุทัยก็เกิดที่จิตอริยามรร ก, ก็ดำเนินอยู่ที่จิตมรรคผลนิพพานคือตัวนิโรธก็อยู่ที่จิต เยันท่านสอนรวบลัดเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองง่ายสั้นนิดเดียวเลยถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ก่อนลงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลใหคยไปอ่านหนังสือของหลวงปู่แหวกวัดสัมพันธวงศ์เขาพิมพ์ให้มาเขาเหลือที่อยู่หน่อยหนึ่งเขาก็เอาธรรมะอริยสัจแห่งจิตของหลวงปู่ดูลไปลงไว้ตอนนั้นท่านใช้ชื่อ พรตนาชกรณ์วิสุดสมั ย, ยนั้นเราไปดูแล้วโอ้เห็นหน้าทึา่งนะจิตสงออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่เกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งมีอีกบทหนึ่งนะเราจํากันได้บทเดียวอนหนึ่งธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอก จิตส่งออกนอกแล้วก็เพื่อผ่อนผันไหวยินดียินร้ายขึ้นมานะเป็นสมูทไทยก็มีผลเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอยูนะ่ไม่ก็เพื่อผ่อนผันไหว น, นี่เป็นทางปฏิบัติามากท่านก็บอกพราริยะเจ้าทั้งหลายคำว่าพระริยะเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันตนะ์ก็ยังมีจิต ท, ที่ออกนอกเลยสมองธรรมดา จิตย่ำสออกนอกเพื่อจะรู้อารมณ์ทั้งหลายทางตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจแต่จิตของพระอริยะเจ้านั้นเมื่อออกนอกแล้วไม่กระเพื่อมบั่นไหวความต่างมันมีแค่นี้จิต ใ, ใจมันไม่มีความกระเพื่อมบั่นไห่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีอะไรกระทบเข้ามาถึงจิตถึงใจได้แล้วจิตกับขันธ์นั้นมันพลากเด็ดขาดจากกันออกไปไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเข้ามาถึงจิตอีกดั่นัจิตก็ไม่กระเพื่อมบั่นไหวอะไรนะ แสดงกริยาการอะไรก็ไปตามความเคยชินไปแล้วบางองค์ท่าทางใจดีก็ใจดีไปท่าทางดุก็ดุไปไม่มีการเสแสร้งแกล้งทําอะไรหรอกนี่หลวงปู่ดุลบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองถ้าจะปฏิบัติไม่ให้ยากนะก็ต้องดูกายดูใจเราเหมือนเราอ่านหนังสือ รู้กายรู้ใจเราเหมือนเรานั่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่ารูปกับนามหรือกายกับใจหรือจะเลือกหนังสือสองเล่มก็ได้เรื่องกายเรื่องหนึ่งเรื่องใจเรื่องหนึ่งอ่านหนางนี้ทำตัวเป็นนั่งอ่านท่านให้อ่านหมายถึงว่าหนังสือมันมีอยู่ยังไงก็รู้มันไปอย่างนั้นคาว่าอ่านเนี่ยมันก็ตรงกับคาว่าตามรู้ตามดู น, นั่นเอง มันมียังไงก็ตามรู้ตามดูมันไปอย่างนั้นรู้กายไปอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปท่านให้อ่านท่านไม่ได้ให้เป็นนักประพันธ์แต่พวกเราชอบทําตัวเป็นนักประพันธ์นะชอบดัดแปลงกายดัดแปลงใจหรือทําตัวเป็นผู้กํากับคอยบังคับกายบังคับใจงั้นทำตัวเป็นแค่นักอ่านคือตามรู้กายอย่างที่มันเป็นตามรู้ใจอย่างที่มันเป็น วันหนึ่งก็เห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงของกายของใจนั่นแหละเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือการที่เราเห็นว่ากายกับใจรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองลัสนดาบันที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นว่าทั้งรูปทั้งนามที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ดับไปทั้งสิ้นไม่มีตัวเราหรอกนี่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นความจริงนั่นแหละความจริงของรูปของนามของกายของใจ เห็นความจริงได้ละความเห็นผิดเมื่อกายกับใจเป็นเราเป็นพระโสดาบันรู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะเจนเห็นความจริงของกายลึกซึ้งกว่านี้จริงขึ้นอีกกายนี้ทุกรวนรุนนะกายนี้ทุกรวนรุนไม่ใช่กายนี้ทุกบ้างสุขบ้างพวกเราเห็นแต่ว่ากายนี้ทุกบ้างสุขบ้างปล่อยวางไม่ได้จริงมันจะดิ้นแต่หาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเม่ไรเราเห็นว่ากายนี้ทุกล้วนรุนมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยนะ มันจะปล่อยวางความยึดถือกายถ้าปล่อยวางความยึดถือกายได้จะได้พระอนาคามีสิ่งที่เรียกว่ากายเราเนี่ยถ้ากระจายออกไปละเอียดยิ่งขึ้นนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย น, ะนั่นเองคือส่วนที่เป็นรูปธรรมนะไม่แกตาหูจมูกลิ้นกายแนะทั้งตาเรายังไม่ยึดถือใจมันก็จะไม่ยึดถือรูปแต่ทั้งหูก็ไม่ยึดถือเนี่ยใจมันก็จะไม่ยึดถือเสียง มันไม่ยึดถือจมูกมันก็ไม่ยึดถือกลิน่นไม่ยึดถือลิ้นมันก็ไม่ยึดถือรสนะไม่ยึดถือกายี่ยไม่ยึดถือปทิภาะเ e ื่อนใจมันจะเป็นกลางต่อรูปเสียงกลิ่นรสปทธภาธรรมารมตรงที่ใจเป็นกลางต่อรูปเสียงกลิ่นรสปทิภาธรรมารมนี่เป็นปู่ิของพระนาคามีไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสปทิะแต่ธรรมารมณ์ยังยินดีนะพอพูดเกินไปนี้ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสประทับก็คือปราศจากกามราคะและปฏิฆะนั่นเองจิตพ้นจากกามาภูมิกามาวจรภูมินั้นถ้านาคาเนี่ยจะไม่เบียนมาสู่กามาพบไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นอสุรกายไม่เป็นเปรตไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเทวดา ใหเกิดเป็นพรหมเป็นพรมอัตนมัตินะให่ยังต่ำที่สุดก็เป็นพรหมเรียกว่าพรหมปาริสัจชาเป็นพรหมพรหมบริวารเป็นพรหมบริวารของเท้ามหาพรหมพลพรหมมีทั้งหมดยี่สิบชั้นเป็นรูปเป็นรูปะพรมบสักสิบหกชั้นอารูปสักสีไม่ใช่ว่าพระนาคาทุกองค์จะต้องอยู่สุดทาวาสนะ เข้าใจผิดสุทธาวาสเนี่ยเป็นภูมิของพระนาคาที่ได้ฌานที่สี่แล้วก็ชำนิชำนานในอินทรีห้าตัวมีตัวใดตัวหนึ่งแก่กล้าถ้าได้ฌานสี่เฉยๆอินทรียังไม่แก่กลา้าไปเป็นพรมชื่อว่าเวหัพลาไม่ต้องรู้ชื่อมันก็ได้นะ เดี๋ยวฟังแล้วก็ลืมฟังเล่นๆ่ปงั้นแหละภูมิที่พระนาคาไปเกิดเนี่ยตั้งแต่พรหมชั้นที่หนึ่งยันชั้นที่ยี่สิบไปได้ตลอดแล้วแต่ไปได้ฌานชั้นไหนแล้วแอินทรีแก่กล้าไหมทำไมไปเป็นพรหมเพราะว่าไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะไม่ยึดวัตถุ นี้ถ้ามาดูจิตดูใจต่อไปอีกคนไหนไม่นิ่งนอนใจนะได้อนาคาไม่ยึดกายแล้วจิตใจมันจะรู้เข้ามาที่จิตจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียวตรงเนี้จะมาเห็นอริยาสัจแห่งจิตถ้าเห็นอริยาสัจแห่งจิตก็พลล้นละพ้นหมดความยึดถือจิตก็ไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วการปฏิบัตินี่เราเรียนรู้เรื่องกายเรื่องจิต น, นี่ตั้งแต่ต้นจนจบนะตั้งแต่ต้นจนจบเลย รู้กายไปหารู้จิตใจขเข้าไปรู้ง่ายๆรู้ซื่อๆนะไม่ได้รู้อะไรลึกลับซับซ้อนพวกเราหลายคนเวลาคิดถึงทํากรรมฐานนะนะเราคิดแต่ว่าต้องทํำยังไงถึงจะถูกต้องทอํายังไงถึงจะถูกคิดอยู่แต่อย่างเงี้ยหาทางทําให้ถูกไม่ต้องหาทางทําให้ถูกเราทํำยังไงก็ผิดเพราะว่ามันผิดตั้งแต่อยากจะทำแนละ้วให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นสิรู้ใจอย่างที่เขาเป็น ไม่ใช่ว่าต้องรู้ยังไงในสมัยพุทธกาลสังเกตไหมธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรียบๆง่ายๆ่ ย, อยสอนอริยสัจสีนี่สอนจักฆราวาสด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นธรรมะชั้นสูงแล้วไม่สอนฆราวาสไม่ใช่อริยสัจสี่นั้นสอนทั่วๆไปฆราวาสที่อินทรีย์อ่อนมากๆเลยก็เรียนอริยสัจแต่ว่าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะที่เรียกว่าอนุภปปิคถา สอนเรื่อง ท, นทานทำทานเรื่องถือสีเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกรรมเรื่องการออกจากกรรมแล้วก็เรื่องอริยสัจออกจากกรรมแล้วก็มาเรียนรู้อริยสัจสอรทุกสมูทัยนิโรธมรรคทุกคือขันห้าคือกายกใจหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ที่รู้ไม่ได้ก็เพราะว่าการมสุคาริการิโยกใจมันหลงตามกิเลสมันลืมตัวเองอาจตากิลมะฐานุโยกไปบังคับกายบังคับใจทําให้รู้ไม่ได้ ถ้าไม่สุดโตไปสองข้างนะั้นกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเท่านั้นเองง่ายๆนะมันง่า ย, นะาายสุดๆเลยนี่พวกเรามันหลงอยู่แต่ในโลกของความคิดวันๆเนีน่ย น, นั่งคิดไปทั้งวันเลยขณดใดหลงไปอยู่ในความคิดขณะนั้นไม่ได้อยู่กับการรู้กาย ร, ร, า ร, รู้ใจรู้ไม่ได้กายกใจจะหายไปจากโลกอย่างเบอร์เจบสรู้สึกไหมที่มาจากนกครนะ่ะ ยังไม่ยังเห็นไหมตอนที่เราไปคิดนะเรามีกายก็เหมือนไม่มีนะมีใจก็เหมือนไม่มีงั้นเราคอรู้สึกไปอย่าหลงไปในโลกของความคิดนานนักน่าเกลียดใครยรู้สึกไปรู้สึกไปใจไหลไปแล้วรู้สึกไหลไปแล้วรู้สึกเราก็จะสามารถรู้กายรู้ใจได้รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆรู้สื่อๆรู้ง่ายๆนะพวกเราชอบตั้งกระบวนท่ามากเกินไป อย่างจะรู้จิตเนี่ยสงสัยจะจิตตั้งอยู่ตรงไหนจะไปดูที่ไหนดีดูแค่ไห น, น, นถึงจะถูกดูหนักหรือดูเบาๆะจะต้องแยกไหมอารมณ์อยู่ตรงนี้จิตอยู่ข้างบนอารมณ์อยู่ข้างล่างจะต้องแยกไหมคิดมากนะคิดมากยากนานหรือจะดูกายนะรู้ลมหายใจต้องรู้ลมกระทบจะงอยปากไหมเริรู้จะงอยปากแล้วต้องมารู้ปลายจมูกไหม จะมารู้ที่เพดานปากไหมรู้ที่คอไหมรู้ที่อกไหมรู้ที่ท้องไหมเรื่องมากนะหรือจะตั้งอยู่ที่เดียวหรือจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามมันไปเรื่อยๆหาเรื่องคิดทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะ่ะมีลมมีตั้งหลายฐานนะุกคนสร้างลมหลายๆฐานขึ้นมามีฐานโน้นฐานนี้นะจะขยับมือต้องมีท่านนะมีสิบสี่จังหวะ เดินจงกรมต้องมี6จังหวะบ้างเจ็จังหวะบ้างแต่ละสำนักก็ต่างๆกันไปหรือจะต้องทําอย่างงู้นต้องทําอย่างนี้นนรู้ท้องแล้วต้องบริกรรมต่อต้องมีบริกรรมพองหนอยุบหนออะไรสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยแต่พวกเราทุกวันนี้เราเรียนแต่เรื่องพวกเนี้ยเราเรียนแต่เรื่องพวกนี้เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนคืสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังตัวเนื้อแท้ของธรรมะทำไมเราไม่เรียน ถ้าฟังธรรมะได้ถูกต้องนะฟังเป็นนะสติจะเกิดเพราะมันจิตมันไปเห็นสภาวะเข้าสติจะเกิดอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะเนี่ยก็จะรู้จักแล้วว่าจิตที่แอบไปคิดจิตที่หลงไปคิดเป็นยังไงจะรู้จะสึกว่าเออจิตที่หนักๆแน่นๆเนี่ยเป็นยังไงจิตที่จงใจปฏิบัติเป็นยังไงเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างสองอย่างนะเนี่ยจิตที่สงสัยเป็นยังไงเนี่ยเรียนรู้ลงไปอย่างนี้จิตมันสงสัยขึ้นมาก็รู้ทั น, น, น หัรู้ไปเรื่อยใจิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆน่ะแล้วสติจะเกิดเองสติเกิดเองนะอีริโอตัปปะอินสียสังวรศีลสมาธงงิปัญญาวิมุตต์วิมุตต์ญาณทัศนะจะเกิดตามมาเป็นแถวเลยขาดสติตัวเดียวไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะขาดสติจิตเป็นอกุศลทันทีเลยนี่ถ้ามีสติแล้วไปเพ่งเพ่งอยู่ที่ท้องที่เท้าที่ลมอะไรนี้ได้แค่สมสถะ ถ้ามีสติะระลึกรู้สภาวะความเคลื่อนไหวของกายความเคลื่อนไหวของใจะระลึกรู้เรื่อยๆจะเกิดปัญญาไมเห็นเลยกายนี้ก็ไม่เที่ยงใจนี้ก็ไม่เที่ยงวันเจ็บสรู้สึกไหมฟังหลวงพ่อพูดฟังไปคิดไปดูออกไหมไม่ผิดนะไม่ผิดหลวงพ่อกําลังหัดให้ดูว่าเดี๋ยวใจก็ไปฟังเดี๋ยวใจก็ไปคิดดูออกไหมเดี๋ยวมันก็ฟังเดี๋ยวมันก็คิดสลับไปเรื่อยๆมันไม่ได้ฟังอย่างเดียว เดี๋ยให้เราหัดรู้ทันใจของเราใจไปฟังก็รู้ทันนะใจเราไปคิดก็รู้ทันเนี้หัดดูไปหัดไปอย่างนี้ยมาฟังหลวงพ่อพูดนะพูดแต่เรื่องสภาวะนะหัดรู้สภาวะไปรู้สภาวะแล้วเดี๋ยวสภาวะก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเราจะเข้าใจธรรมะเป็นลําดับลําดับไปนะปล่อยวางเป็นลำดับลําดับไปเข้าถึงความสุขเป็นลําดับลําดับไปนะห่างทุกข์เป็นลําดับลําดับไปมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะถึงที่สุด มีความสุขมีแต่ความเต็มอิ่มมันอิ่มนะอิ่มมากหญิงหนีไปแล้วหญิงสบาปสบายหญิงเบอร์สี่สิบเก้าใจลอยไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเบอร์สี่สิบเก้าเอา้านี่ทำอะไรอยู่อย่าไปหลงอยู่ลงคิดรู้สึกขึ้นมา ใจไหลไปคิดแล้วรู้สึกขึ้นเอย่าปล่อยใจให้ไหลตามกิเลสไปนะกิเลสเล็กกิเลสน้อยตอนแรกๆมันก็เหมือนน้าในลำพุ้ยอ่อนๆน่าเล่นนะน่าลุยเล่นเผลอแป๊บเดียวนะเดินตามลําพุ้ยนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอถึงแม่น้ําใหญ่คร <c ười> าวนี้กระแสกิเลสที่เชี่ยวกลากไลยเอาไม่อยู่ล้จะถูกมันพัดพาไปพัดพาไ ป, าไปตกน้ําตกตายลงเหิวน้ําตกไป ยังบางคนประมาทนะภาวานาแล้วประมาทคิดว่ากูเก่งกูเก่งแล้วไม่กลัวกิเลสกล้าไปเล่นกับกิเลสบางคนเล่นกับกิเลสนะเช่นไปจีบสาวจีบหนุ่มเล่นรู้สึกไม่เห็นมีพิษภัยอะไรเลยไปจีบเขาเล่นๆอนะไรอยเงี้ยหนุ่มก็ไปจีบสาวสาวไปจีบหนุ่มไปเล่นๆเล่นไปเล่นมาถล่าลงไปเบรกไม่ยัดไม่ได้แล้วนะถูกมันลากไปทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็มี หรือไปเล่นกับความโกรธเกลียดเหญ่คนนี้เกลียดนิดๆคิดมันทุกวันมันคิดเรื่อยอยันนี้มันเร็วยังงั้นเร็วอย่างนี้นะเล่นไปเรื่อยนะไม่ระวังใจแค่เดียวความโกรธตัวใหญ่เอาไม่อยู่คราวนี้โกรธทั้งวันทั้งคืนถูกความโกรธพัดพาไปลงเหวอีก่ยวน้ำตกไปกิเลสนี่ประมาณไม่ได้เลยคอยเรียนรู้ค่อยระวังคอยดูดจิตตัวแจขงเรานะอย่าไหลาตามมันไปหรือมันชอบหนีไปคิดนี่โมหะ มีไปคิดรู้สึกคิดแล้วสนุกดีใครรู้สึกไหมใครรู้สึกบ้างเวลาบางทีนั่งคิดรู้สึกมีความสุขดีเพลิดเพลินนะอย่าหลงกลนะตัวนี้ถูกหลอกสาหัสสากันเลยจะข้ามพบข้ามชาติไม่ไหวเลยคิดแล้วมันเพลินคิดแล้วมีความสุขสังเกตไหมมันชอบคิดเรื่องเก่าบางคนจะไปตอนนอนนะตอนนานจะต้องคิดเรื่องนี้ให้มันแล้วมันสบายแล้วเดี๋ยวได้หลับกลับไปคิดแต่อีกเรื่องเก่าเก่าย บางคนก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยทั้งวันใจก็ฟุ้งฟุ้งเบอร์72อ่ะรู้สึกไหมเบอร์72ถ้าแรกสุดนะจำเบอร์ให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวนี้บางคนเขารีเริ่มใหม่น่าสนใจนะเขาทำป้ายชื่อมาเองใส่ชื่อมาเลยนายเปิ้ล น, นายดาวอะไรเงี้ยมีชื่อเรียกแล้วก็รู้เลยแต่บางทีก็มีปัญหาวันหนึ่งมีชื่อเดียวกันหลายคน คอยรู้ไปนะใจอย่าหลงไปในโลกของความคิดไม่ชอบคิดเรื่อยเปื่อยให้รู้ทันให้รู้ทันถ้ายัางสนุกเลื่อเลินกับการคิดเรื่อยเปื่อยมันจะคิดเรื่อยเปื่อยมากขึ้นมากขึ้นเนีย่ยตามใจไม่ได้นะกิเลสต้องคอยรู้ทันยังบางคนประมาทพระด้วยซ้ําไปไม่เฉพาะโยมะพระดังมากเลยองค์เจริญเมตตามากเห็นใครก็เมตตาไปหมดเลยนะหวานแหววไปหมดเลย <c oughs> รู้สึกไม่กลัวกิเลสกูเก่งกูงเก่งนะ ทรั้งเดียวราคาเกิดนะเสียผู้เสียคนเลยกีบอนเหลืองใช้ไม่ได้ละถ้าใครรู้ทันจิตใจของเรานะจิตใจของเรามีธรรมชาติไหลลงที่ต่ำจยไหลลงที่ต่าอัตโนมัติเลยคืนไปเล่นกับกิเลสนะั่นก็จะถูกมันไหลพาไหลลงที่ต่ำไปเรื่อยๆตอนขึ้นขึ้นยากนะตอนขึ้นขึ้นยากตอนแร ก, แรกๆที่กิเลสยังบางๆเราไปเล่นกับมันรู้สึกมันดี รู้สึกมันไหมบางทีแกล้งมโมโหใครซะหน่อยๆ น, นะสะใจดิหรือแกล้งบางคนนะพวกผู้หญิงชอบเป็นเยอะพ่อสังเกตดูชอบสวมวิญญาณนางเอกชอบคิดอะไรให้เศร้าๆนิดๆหนึ่งนะให้แสบๆในใจเงี้ยชอบนะชอบสวมวิญญาณนางเอกแล้วทำเป็นเศร้าๆแหมน้ำตาคลอๆอยู่ข้างในนะมมีความสุขโถเอ้ยจะลงนรกยังไม่รู้ตัวนประตูนรกอยู่ตรงนั้นล กิเลสเล็กกิเลสน้อยก็ไว้ใจไม่ได้นะต้องคอยรู้ทันไปสตินั่นแหละดีที่สุดเลยกิเลสไหลแวบมาสู่ใจเราถ้าสติเกิดแต่สติเกิดได้สติต้องรู้จักกิเลสซะก่อนต้องค่อยๆสังเก ต, ตค่อยๆทําความรู้จักมันไปเพิ่มขึ้นวันละอย่างสองอย่างเรียนรู้กิเลสเพิ่มขึ้นไปวันละนิดวันละหน่อยไม่ต้องรีบร้อนนะรีบร้อนเป็นกิเลสอีกหัดรู้จักไปเช่นเออนั่งพุโทโธพุโทโธไป นั่งดูท้องของยุบหรือนั่งหายใจไปแล้วใจลอยแวบบไปแลนี่ไปคิดแล้วรู้ทันว่าหนีไปคิดนีหัดรู้จักในส่วนใจหนีไปคิดแแบบก็จะรู้ทันเนี่ยคุณผู้หญิงเสื้อขาวแขนสั้นนั้นน่ะใจหนีไปคิดรู้จักไหมใจมันหนีไปคิดไหลแวบไปใจสงสัยขึ้นมาก็รู้ว่าสงสัยใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธก็ได้นะพุทโธก็ดี เรีรู้ลมหายใจรู้ท้องรู้อะไรเงี้ยส่วนมากชอบเพ่งแต่พุทโธแล้วไม่รู้จะเพ่งตรงไหนหาที่เพ่งยากหน่อยพุทโธพุทโธพุทโธไปใจแอบไปคิดแวบรู้ทันแล้วให้รู้ว่าใจหนีไปคิดไม่ว่ามันนะแค่รู้ทันนะพุทโธพุทโธไปใจชักจะซึมซึมแล้วรู้ว่าใจซึมซึมพุทโธแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆนี่คือการหัดรู้สภาวะ เราไปจิตจำสภาวะได้มากจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดบ่อยเพราะสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำไม่ว่าเกิดจากธิระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือทิระสัญญาจิตมันจำได้แม่นแล้ว ส, สติจะเกิดงั้นเราก็ซ้อมทุกวันนะหัดพุทโธไปหัดหายใจหัดท่องยุบอะไรไปก็ได้ที่เคยทำแล้วสบายแต่ถ้าทำแล้วเครียดเครียดไม่เอานะแสะดงว่าไม่ถูกจริต อย่างคนไหนพุโทโธแล้วอึดอัดก็ไม่เอาพุโทโธเอาอย่างอื่นคนไหนหายใจแล้วอึดอัดก็อย่าเอาลมหายใจไปหากรรมฐานอื่นกรรมฐานโถมเจไปหรือดูท้องพองยุบแล้วอึดอัดก็ไม่เอาไม่เอาอันอื่นเอาที่มันสบายๆ บ, บางคนสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์ก็ได้สวดไปเรื่อยๆเห็นปากกระงับกระนับไปนะแล้วก็เดี๋ยวเห็นใจไหลแวบบหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วปากก็ยังสวดได้นะใจหนีไปรู้ทันว่าใจหนีนี่หัดรู้ทัน หารู้สภาวะไปได้เดี๋ยวสติเกิดเองนะต่อไปพอ ก, กิเลสเกิดขึ้นในจิต ใ, ในใจแว บ, บสติเห็นเองแต่เห็นแล้วก็อย่าไปสนุกกับมันนะหลายคนเห็นแล้วสนุกกับมันคล้อยตามมันลองรักเล่นๆดูชีวิตจะได้มีรสชาติ<笑><笑>เดี๋ยวมันก็ตกเหวนะก่อนมีคนเกณฑ์กรอนแม่หนึ่งบอกเหวลึกอย่านึกว่าเหวตื้นปากเหวลื่นอย่าขานองไปลองผลักเนี่ย ตกเหวหินปีนป่ายยังง่ายนักตกเหวรักกระเสือกกระสนไปจนตายไหนวันนี้มีกลอนด้วยนะ <c oughs> หลายๆปีจำได้ครั้งหนึ่งนอะ <c oughs> อย่างโง่นะ <c oughs> อย่างโง่ไม่เฉพาะเหวรักเราเหวกรูดก็เหมือนกันเพ <c oughs> ิงแค้นหนังจีนชอบสอนนะ <c oughs> ผู้ดีแก้แค้นสิบปีไม่สายผู้ดีอะไรผู้ร้ายชัดๆัด มันอาฆาตเนี่ยมันจะผู้ดีอะไรีแยกไม่ออกเลยว่าอะไรดีอะไรเลวนะมาสอนผู้ดีแก้แค้นสิบปีไม่สายหรืออย่าปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลชาพุทธไม่ต้องให้คนชั่วลอยนวล น, นะถูกแล้วแต่ไม่ใช่เกลียดชังมันโุรานนะมีหน้าที่อย่างที่พระ เ, เจ้าอยู่หัวบอกไม่ให้คนชั่วมันมีอำนาจ แต่ไม่ได้ไปเกลียดมันนะเกลียดมันแล้วไม่มีความสุขมันเป็นเรื่องของการมีเหตุมีผลฉนั้นชาพูดไม่ใช่พวกนิ่งนอนใจนะเห็นความชั่วอยู่ต่หน้าตตาแลก็ชั่วช่างชีดีช่างสงนี่ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าสอนให้ข่มคนที่ควรขม่มให้ชมคนที่ควรชมไม่ได้บอกให้เสมอภาคกับทุกคนนะแต่ว่าใจเราเนี่ยเสมอภาคกับทุกคนไม่ได้รักไม่ได้เกลียดใครหรอก แต่คนนี้เกเรแล้วก็จำกัดที่จากัดทางไม่ให้เกเรระรานคนอื่นได้เนี่ยเขาจะเลือกตั้งแล้วก็แย่ไปซื้อเสียงขายเสียงนะเนี่ยก็กลับมาช้าใจอย่างเดิมสังเกตใจนะพอหลวงพ่อหยุดพูดสังเกตไหมนีไปคิดอุตรุณเลยนีไปคิดแล้คอยรู้มันไปใจหนีไปคิดแลรู้หนีไปคิดแล้ ร, ลรู้อย่านึกว่าแค่นี้ไม่สำคัญนะ สำคัญนะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคนที่ฟังหลวงพ่อเทศสองครั้งสามครั้งหรือเอาซีดีไปฟังนะฟังไปเรื่อยๆสติเกิดขึ้นได้นะมีเป็นพันแล้วนะที่จิตที่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามีจนนับไม่ถูกละจิตใจได้รับความสงบร่มเย็นหลายคนมารายงานนะมีความสุขจิตใจเปลี่ยนไปฉับพลันเลยเปลี่ยนเร็วมากเลย จากคนที่อมทุกข์นะก็กลายเป็นคนที่ไม่อมทุกขนะ์ละความทุกข์ไหลมาแล้วก็ไหลไปจนะิตใจค่อยมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นภาวนาถูกต้องต้องมีความสุขนะภาวนาถ้าถูกต้องเนี่ยต้องมีความสุขถ้าภาวนาผิดจะเครียดหลวงพไป อ, อ่านงานรีพอร์ตอันหนึ่งของหมอศรีธัญญานะบอกไม่ชอบพวกนักปฏิบัติทำก็เพิ่มงานให้หมอหมอโรงพยาบาลบ้า เพราะเพราะว่าคนส่วนมากก็เครียดอยู่แล้วทุกวันนี้ปฏิบัติธรรมแล้วเครียดมากกว่าเก่าเคียดสติแตกเลยบ้าไปหาหมอมตะแลงการหน่อยนะใครญาติพี่น้องภาวนาแล้วบ้าพาไปหาหมอนะอย่าพาไปหาหลวงพ่อนะขี้เกียจแก้เหนื่อยแก้คนหนึ่งคนน่นยคนดีๆมาฟังไป ตามสถิติเนี่ยไม่เคยมีนะที่มาเรียนยากหลวงพ่อแท้ๆแล้วบ้าไม่เคยมีเลยสักคนเดียวมีแต่ว่าเคยเครียดๆอยู่ก็หายเครียดภาวนาถูกต้องต้องมีความสุขภาวนาเครียดทําผิดแน่นอนเพการปฏิบัตินี้ไม่ยากไม่ยากทำง่ายทำแล้วมีความสุขด้วยยิ่งปฏิบัติยิ่งขยันเหมือนแกกิเลสเหมือนกันนะ กิเลสนะยิ่งตามใจมันนะยิ่งขยันคือยิ่งไปเร็วไปแรงการภาวนาเหมือนกันเหมือนเราเดินทวนน้าเนะ่อยแรกๆอืดเหมือนขี่จักรายานขึ้นภูเขาอืดมากเลยเหนื่อยขึ้นไปข้างบนทางมันจะลาดลงลาดลงนะในที่สุดจะไปถึงทางที่ราบเรียบนะราบเรียบสงบสันติร่มเย็นมีความสุขล้วนๆเลยยิ่งภาวนาไปนะทางที่ชันๆนจะยิ่งลาดลงลาดลง สุดเป็นทางราบที่ราบรื่นมากคล้ายๆปูกระดึงเดินขึ้นไปแล้วเหนื่อยนะข้างบนมันแบนๆหลวงพ่อไม่มีปัญญาปีนหรอกดูจากเครื่องบินเห็นยอดมันแบนๆการภาวนาเหมือนกันนะถึงจุดหนึ่งมันราบรื่นใหม่ๆลำบากล้มลุกคลุกคลานต้องอดทนเราเราสู้กับแรงดึงดูดของกิเลส หรืาเราจะภาวนากิเลสก็บอนอนดีกว่านอนดีกว่าหรือจะเอาเวลามาภาวนาไปเที่ยวก่อนนะหรือไปทำงานนั้นก่อนเดี๋ยวว่างๆเราเค่อยกลับมาภาวนางานในโลกนี้ไม่เคยเสร็จหรอกงานชาตินี้ไม่ได้ภาวนาหรอกถ้าคิดว่ารอให้งานเสร็จแล้วจะภาวนาต้องภาวนาไปเลยทำงานไปก็ภาวนาไปนี่แหละใช้ชีวิตปกตินี่แหละภาวนาไปเลย กรรมฐานที่หลวงพ่อสอนให้คือการดูจิตดูใจเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองคนที่ทำงานที่ต้องคิดมากๆเนี่ยทำกรรมฐานอย่างอื่นไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะมีในคัมภีร์มีการดูจิตนี่เหมาะกับพวกที่ฉีดจริตพวกคิดมากแล้วดูได้เลยนะไม่ได้ทาฌานก่อนถ้าดูกายต้องทำฌานก่อนอย่งครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านทาฌาน ทำานแล้วมาดูกายถูกอาภิธรรมเป๊ะ เ, เลยถูกกันเป๊ะเลยนะท่านถึงได้ผลไงพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยนะไปทากรรมฐานวิธีโน้นวิธี น, ธนี้ส่วนมากดูกายนะรู้ลมรู้ท้องรู้เท้ารู้มืออะไรเงี้ยรู้กายทั้งกายแต่ไม่ทำสมถะใจไม่ได้มีคุณภาพพอที่จ ะ, จะเจริญปัญญา จ, จริงชอบไปเพ่งรู้ลมก็เพ่งลมรู้เท้าก็เพ่งเท้ า, ทารู้ท้องเพ่งท้อง รู้มือเพ่งมือรู้กายทั้งกายก็เพ่งเหมือนทั้งตัวเลยเลยไม่ได้ผลมากผลนิพานเหมือนกับของอะไรที่ยากเย็นแสนเข็นนะฝืดฝืดฝืน ฝ, ฝืเอาไม่ได้สักทีถ้าเรียนให้ถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วโอ้ง่ายเหลือเกินเราต้องดูตัวเองก่อนว่าจิตจลิตนิสัยเราเป็นไงคนพวกเราที่มาเรียนจากหลวงพ่อเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกคิดมากทามาหากินด้วยการคิด ชาวไร่าชาวนาอะไรนี้ไม่ค่อยได้มาเรียนที่หลวงพอ่อถ้าเป็นพวกทําธุรกิจฟาร์มอะไรเงี้ยนี่ว่นานักคิดนะทําฟาร์มกล้วยไม้ทําอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ชาวไร่าชาวนาแบบดั้งเดิมคนที่ทํางานที่คิดทั้งวันเนี่ยไม่มีเวลาทําสมถะแล้วใจก็ฟุ้งซ่านทั้งวันทําไม่ลงหรอกวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งอีกแล้วขำๆมานั่งอีกสงบอีกแล้วพรุ่งนี้ฟุ้งอีกแล้ว ทั้งชาติก็เลยได้แค่สงบแล้วฟุง้งซ่านไปไหนไม่รอดแต่ถ้ามาหัดดูจิต ด, ดูใจอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่นะทําได้นะขับรถอยู่ก็ทําได้กินข้าวอยู่ก็ทําได้อาบน้ําอยู่ก็ทําได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทําได้เน้นะเวลาทํางานไปก็จดจอกก่องานทํางานแล้วเครียดเนี่ยสติเกิดระลึกขึ้นได้แล้วเครียดละแภาวนาได้ ไปนั่งประชุมเห็นหน้าคนที่มาประชุมกับเราวันนี้โอ้ยคนคนขอโทษนะคนตีนทั้งนั้นเลยนะเห็นก็อึดอัดละสตรีมันทํางานอัตโนมัติเห็นความอึดอัดวันนี้เห็นหน้าตาคนที่มาจะมาต้องมาประชุมถกแถลงงานกับเราพอ้ยหน้าตาใจดีทั้งนั้นเลยคุ้นค้นกันทั้งนั้นอนะ่ะสูเอียกันได้นะพัวกันได้สบายใจรู้ว่าสบายใจไหมมันง่ายขนาด น, นี้ หรือเราทําโปรเจกต์ไว้อันหนึ่งไปเสนอเสนอแล้วแหมคนก็ชมดีย้งโน้นดีอย่างนี้นะมันปลื้มนะปลื้มเรารู้ว่าปลืม้มภาวนาได้เสนอเข้าไปมันติโน่นตินี่หาเรื่องติไปเรื่อยโมโหเรารู้ว่าโมโหนี่ในชีวิตเราทําได้นะขับรถอยู่เจอไฟเขียวดีใจรู้ว่าดีใจทําได้วันนี้เจอแต่ไฟแดงหดงุดหงิดเคยเจอไหมวันนี้ ไม่รู้ดวงก็แล็กดวงสวยอะไรสักวันนะไฟไหนเจอแต่ไฟแดงตลอดเลยนะหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดรถติดแถวยาวๆเห็นไฟเขียวยังไม่ดีใจรู้สึกไหมยิ่งกระสับกระส่ายหนักอีกจะพ้นไม่พ้นจะพ้นไม่พ้นะถึงคันสุดท้ายติดคันแรกเนี่ยโมโหมากเลนะถ้าติดคันที่ห้าโมโหน้อยกว่าคันแรกรู้สึกไหมถ้าติดอยู่คันที่ยี่สินี่โปร่งอนิจจังแล้วเดี๋ยวต้องรออีกรอบ ไม่กระวนกระวายเนี่ยใจของเราเนี่ยดูลงไปเนี่ยของง่ายๆแค่เนี้ยทำไมยังไม่รู้ของง่ายๆแค่เนี้ยดูเข้าไปในที่สุดก็เห็นเลยของไม่เที่ยงใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาไม่เที่ยงเนี่ยแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มันทํางานของมันเองเดี๋ยวมันก็หนีไปฟังเดี๋ยวมันก็หนีไปดูเดี๋ยวมันก็หนีไปคิด ห้ามมันไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงอย่างเนี้ยว่ากายกระใจไม่เที่ยงกายกระใจเป็นทุกข์กายกระใจเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เรียนเพื่อเห็นความจริงเหล่านี้การได้เห็นความจริงเหล่านี้แหละเรียกว่าเห็นธรรมะใจเรายอมรับความจรงิงเมื่อไหร่ได้พระโสดาบันเมื่อนั้นใจยอมรับความจริงคันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเร า, าได้พระโสดาบันเมื่อนั้นแหละ เราก็เห็นกายนี้ทุกรวนล้วนเมื่อไหร่นะวางกายได้ก็จะได้ท่านาคาวันนั้นแหละก็เห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆ้วนเมื่อไหร่นะจะเป็นพ่าลรหันในไม่กี่ขณะจิตข้างหน้านั่นแหล ะ, ะเดี๋ยวเราหยุดพักก่อนเชิญไปทานข้าวเลยไปพ่อเดี๋ยวนี้ชักขี้เกียจยัถาสัพทีแล้ว